ก็ย่อมมีต้นไม้มีภูเขามีห้วยน้องคลองบึงเป็นต้นอันรวมเรียกว่าเป็นป่านั่นใจก็จะน้อมไปสู่ป่าและเมื่อใจน้อมไปสู่ป่าอีกขั้นหนึ่งก็น้อมไปสู่บ้านเป็นบ้านเป็นหมูค่คน เมื่อใจเข้าบ้านใจเข้าหมู่คนกามในะอกุศลธรรมทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นได้ง่ายฉะนั้นเมื่อได้หัดกำหนดให้ละเอียดขึ้นโดยลำดับมากำหนดว่าเป็นป่า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 มาใส่ใจกำหนดว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอันวิญญาณ น, นั้นกล่าวเข้าใจง่ายๆก็คือตัวรู้หรือความรู้ วิญญาณที่ตรัสแสดงไว้ในที่ต่างๆเห็นวิญญาณในธาตุหกได้แก่ธาตุรู้วิญญาณนธาตุธาตุรู้วิญญาณในขันห้าได้แก่ รู้เห็นรู้ได้ยินเป็นต้นในเมื่ออาจตนาภายในอาจตนภายนอกมีตากับรูปหูกับเสียงเป็นต้นมาประจบกันก็เห็นก็ได้ยินอันการเห็นการได้ยินนั้น ก็คือตัวความรู้อย่างหนึ่งนั่นเองเห็นก็คือรู้เห็นได้ยินก็คือรู้ได้ยินเป็นความรู้ของวิญญาณธาตุคือธาตรู้ที่รู้ทางอายตนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ วิญญาณจึงหมายถึงตัววิญญาณธาตุคือธาตุรู้นั่นเองก็ได้หมายถึงความรู้ของวิญญาณธาตุคือธาตุรู้นั้นซึ่งรู้ทางอายตนะอันมีลักษณะเป็นเห็นเป็นได้ยินดังกล่าวเป็นต้นนั่นก็ได้ แต่เพื่อให้รวบรัดก็แสดงว่าความรู้หรือตัวรู้ความรู้หรือตัวรู้ไม่มีที่สุดอันอากาศคือช่องว่างไม่มีที่สุด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 มากำหนดตัวความรู้ในภายในว่าไม่มีที่สุดเพราะว่าอันความว่างหรือช่องว่างไม่มีที่สุดอันเป็นภายนอกนั้น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 แม้ว่าจะมีทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างในภายนอกจะมีป่าจะมีแผ่นดินตลอดจนถึงมีอากาศคือช่องว่างแต่ว่าถ้าไม่มีวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุรูเป็นตัวรู เป็นความรู้ของแต่ละบุคคลอยู่แล้วก็รู้อะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าที่รู้ไอ้นั้นก็เพราะมีธาตุรู้มีตัวรู้มีความรู้อยู่จึงรู้อะไรอะไรได้และเมื่อ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 ยังไม่กำหนดสิ่งที่รู้คืออากาศนั้นมากำหนดตัวความรู้ข้างในคือนำสติมากำหนด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 ว่าไม่มีที่สุดดังนี้ก็เป็นสมาธิจิตอันประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้หรือปัญญาซึ่งเป็นตัวรอบรู้ที่สูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง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 ความกาหนดดังนี้เป็นความกําหนดที่ทำให้ไม่มีกังวลห่วงใยเพราะว่า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 อันไม่มีที่สุดและแม้ตัวถาดรู้ความรู้ตัวรู้นั่นก็ไม่มีอีกเหมือนกันเพราะเป็นความว่างอะไรสักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีเมื่อกำหนดเข้ามาถึงขั้นนี้ก็เป็นอันว่า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 กลิ่นไม่มีอารมณ์ว่ารสไม่มีอารมณ์ว่าผลพระสิ่งที่กายถูกต้องและยังมีธรรมอารมณ์อารมณ์คือธรรมะเป็นที่ตั้งอยู่เป็นอย่างละเอียด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 สงบลงไปเป็นสุดมากไม่มีรูปปัจสัญญาความกนดหมายว่าเป็นรูปสัตสัญญาความกนดหมายว่าเป็นเสียงคันสัญญาความกนดมายว่าเป็นกลิ่นรสสัญญาความกนดหมายว่าเป็นปรสผดถะสัญญาความกนดหมายว่าเป็นผดถะ สิ่งที่กายถูกต้องและตลอดจนถึงท ร, รมาสัญญาความคำนว้ว่าเป็นธรรมมารมณ์อย่างหยาบก็ไม่มีเป็นอย่างละเอียดสำหรับเป็นที่หมายอยู่ตั้งอยู่ในจิตใจและเมื่อเป็นดังนี้จึงเรียกว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีสัญญาก็คือว่าไม่มีรูปปั้นสัญญาสัญญาเป็นต้นไม่มีก็ไม่ใช่คือว่ายังมีอยู่แต่ว่าน้อยละเอียดมากเป็นธรรมสัญญาอย่างละเอียดที่กําหนดอยู่เมื่อกําหนดถึงขั้นที่ตรัสสอนไว้นี่ ก็เป็นอันว่าได้สุญญตาคือความว่างมาโดยลําดับว่างจากบ้านว่างจากผู้คนว่างจากป่าว่างจากปฐวีแผ่นดินว่างจากอากาศว่างจากวิญญาณว่างจากอารมณ์ที่วันน้อยหนึ่งนิดหนึ่ง มาตั้งสงบอยู่ในภายในเหมือนอย่างไม่มีสัญญาอะไรแต่ว่าก็มีสัญญาคือความที่กำหนดหมายอยู่ดังนี้อันเป็นตัวสัญญาความกำหนดหมายกาหนดหมายอยู่ว่าไม่มีอะไร ตั้งสงบอยู่ในภายในก็เป็นความว่างที่ตรัสสอนอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตามที่ตรัสสอนไว้นี้เป็นการตรัสสอนให้ฝึกหัดปฏิบัติธ ร, รมสมาธิพร้อมทั้งได้ปัญญาคือความรู้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 จิตก็ตั้งมั่นสงบและผ่องใสแจ่มใสยิ่งขึ้นไปโดยลำดับปราศจากนิวร์ทั้งหลายเป็นความสว่างโพรง่งเป็นความตื่นเป็นความผ่องใสใจ อยู่ภายในเป็นความตั้งมั่นสงบอยู่ในภายในยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติทางสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมาโดยลำดับนั้นเองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสุญญาตาคือความว่างที่พระบรมศ า, ศาสดาาได้ตรัสถึงพระองค์เองว่าทรงอยู่โดยมาก ด้วยสุญญตาวิหารธรรมะเครื่องอยู่คือสุญญตาความว่างทั้งเมื่อก่อนแต่นี้และทั้งในเวลานี้คือเวลาที่ตรัสเล่าเรื่องนี้และพระองค์ ก็ได้ทรงแสดงถึงวิธีปฏิบัติสุญญาตาคือความว่างตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปโดยลำดับก็โดยที่บุคคลสามัญทั่วไปนั่น ในขณะที่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรในบางคราวก็รู้สึกว่าว่าง อันเป็นที่รำคาญไม่พาสุกแต่หากให้ทำอะไรต่างๆรู้สึกว่าไม่ว่างก็ทำให้เพลินไปในการงานต่างๆที่ทำนั่น แต่อันที่จริงในขณะที่ต้องมาอยู่ว่างเช่นในขณะที่เจ็บป่วยก็ดีหรือในขณะที่ลาเข้ามาบดพักการพักงาน ทวระยะหนึ่งก็ดีที่รู้สึกว่าว่างไม่มีอะไรจะทำน่ารำคาญและมีความทุกข์ไม่สบายอยู่กับความว่าง ไม่มีอะไรจะทำดังกล่าวนั้นแต่อันที่จริงความว่างที่เข้าใจว่าว่างอันทำให้ํำคานนี้หาได้ชื่อว่าสุญญาตาคือความว่างอันเป็นธรรมปฏิบัติในพุทธศาสนาไม่ เพราะว่าจิตใจไม่ว่างเต็มไปได้วยนิวรณต่างๆว่าถึงนิวรณห้าก็เป็นกามฉันความยินดีรักใคร่อยู่ในกามบางัง เป็นพยาบาทความหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองต่างๆบางเป็นทีนมิทะความง่วงงลเคริบเคล่มบางเป็นอุทธจักกุก จ, จัความฟุ้งซ่าน ร, รำคาญบางเป็นวิจิกิจช้าความเครื่อบแคลงสงสัยต่างๆบาง ใจจึงไม่สงบเพราะมีอะไรความผูกพันติดอยู่ในสิ่งนั่นบ้างในสิ่งนี้บ้างในบุคคลนั่นบ้างในบุคคลนี้บ้างซึ่งโดยปกตินั้น เมื่อมีความาผูกพันอยู่ดังนี้ก็มักจะไปหาสิ่งที่มีอะไรผูกพันหรือบุคคลที่มีอะไรผูกพันอยู่ได้แต่ว่าเมื่อต้องมาอยู่ว่างเพราะเจ็บป่วยก็ดีเพราะเข้ามาบวชก็ดีเป็นต้น คิดถึงอยากจะไปหาอยากจะไปพบอะไรต่ออะไรใครต่อใครก็ไปไม่ได้อยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เป็นอันว่าใจไม่สงบ